เมตตาธรรมไม่มีประมาณสิ่งที่หลวงตาทำทั้งหมดท่านไม่ได้ทำเพื่อองค์ท่านเองถ้าคิดให้ดีข้าวของเงินทองทั้งหลายที่เรานำไปถวายท่านท่านไม่ได้รับไว้เพื่อตัวท่านเองแต่เราตั้งหากที่เป็นผู้ได้รับและยังกระจายออกไปสู่มวลชนด้วยสิ่งทั้งหลายที่ท่านได้รับบริจาคมาท่านจะเมตตาให้แก่สัตว์โลกที่มีความเดือดร้อน